เริมอีกแล้วนี่ฉันต่อสู้กับความคิดตัวเองเหมือนต้านกระแสน้ำเชี่ยวกรากเดินทวนอย่างอึดอาดกลับมาหาลมหายใจอีกครั้งฉันกระพริบตาปริบๆเริ่มงู ง, งสับสนว่าจะเอาไงฝืนใจก็ไม่ใช่ปล่อยใจก็ไม่ดีแล้วที่อยู่ตรงกลางคืออะไรความเครียดปรากฏเด่นหายใจออก เหมือนระบายความเครียดได้หน่อยหนึ่งหายใจอีกครั้งคล้ายลืมลืมศัตรูไปเสียได้และความเครียดอ่อนกำลังลงตาสว่างกระจ่างพลันผอิญรถติดไปแดงยาวเลยมีเวลาพิจารณานานหน่อยฉันก็แค่ปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้นด้วยอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้น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 กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้ากับทั้งเฝ้าเปรียบเทียบทุกครั้งว่าความเครียดแน่นต่างระดับไปจากลมหายใจก่อนหน้ามากน้อยเพียงใดจนไหนที่สุดก็เกิดประสบการณ์ครั้งสำคัญคือพบความเสมอกันระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมนั่นคือมันเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเป็นธรรมดา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 แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องแบ่งเวลาออกเป็นขณะคณะเพื่อเปรียบเทียบความอ่อนแก่ของอารมณ์สุขทุกข์ได้ด้วยสรุปในคืนที่สามเริ่มมองเห็นความสำคัญของราวเกาะอย่างลึกซึง้งตราบใดที่ยังเกาะราวอยู่ถึงแม้เท้าลื่นเซธลาไปบ้างก็ไม่ถึงกับล้มหรือแม้ล้มแล้ว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 มันยังย้อนกลับมาอีกได้เหมือนบูมเมแรงวิเศษเวียนมาเยี่ยมรอบแล้วรอบเล่าเหมือนไม่รู้จบแม้ควางออกนอกตัวกี่ครั้งกี่หนก็ตาม